أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم ل ذ ِ ي ع ز َّ ت ه وَشِقَاقٌ ك م ن أ َ ل َ ك ن ا م ن ق ب ل ل ิห์มมิ่งคอร์นินฟร ا นาดาวัลลาต فيهنا الساحرون كذاب. أجعل الالهات لهوم و ا ح د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 ว่าชดว่า ا เล ه วอิลล่าอิลลัลลอฮฺอูหฺเดหฺละเเละชริกเเละว่าชดว่าเเนมูฮัมมัดเณอับเดหฺวะรําซูลฺอัลลอฮฺมะบิกเอัสบะฮนาวบิกเอัมซายนาวบิกเนะฮยาวบิกเนะโมตฺวะอิลัยเคนุชูรอาอูบิกลิมติลลาฮิตมติ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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرضه ومداد كلماته يحيو يقيوم رحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة ا ل ل a و a ر ك ا ت ه พี่น้องที่ร่วมนมาสุบัวที่มัสยิดอันวาลิซุนนะที่คองกรตและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซหรืลคุรานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็พวกแม่ค้านะครับค้าขายที่ตามตลาดที่ศึกษาหาความรู้จากอลัลกุรอานนะครับที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอ ผานบุปผาเราเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆไปเนองนึกถึง Allah, อัลลอฮ์ขอขอจากอัลลอฮ์เยอะๆไปเนองยิ่งขออัลลอฮ์ยิ่งยิ่งชอบคืออย่าเอาชีวิตเราเนี่ยไปไปเทียบกับอัลลอฮ์ชีวิตเราเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาใครมาขอมากๆเนี่ยไม่เคยพอใจถ้าเอามาให้เยอะๆเนี่ย พอใจไหแต่อัลลอฮฺเนี่ยยั ง, งั้นเราบอกว่าขอแต่ฉันจะให้ความยิงอัลลอฮฺเนี่ยให้เราเยอะมากนะเยอะมากครับเอาให้หูตาให้จมูกให้ปากให้เป็นคนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดเลยไม่คิดนี่แผิดอัลลอฮฺบอกกันนบอบดมูซาอกว่าสิ่งที่ท่านนบีมูซาขอจากฉันเนี่ย ฉันให้ไม่กี่อย่างห้าหกอย่างขอให้พูดชัดพนบีมูซาติดอา่านเราก็ให้ขอให้ฮารูนเป็นพี่ชายมาช่วยงานศาสนาฉันก็ให้แต่งตั้งให้และนอกจากนั้นอีกอะนบีมูซาไม่ได้ขอจัางทันให้อะอะไรบ้างอะ่ะตอนที่มะคุณนะแม่คุณนะอุ้มอุ้มคันคุณนะ ท้องเนี่ยไม่ใหญ่ให้ท้องเนี่ยเล็กมองดูเหมือนไม่ได้ท้องเพื่อไม่ให้ทหารของฟิรังอูเนี่ยมองสังเกตว่ากำลังทองเพรพระสัตต์ฟาร์เนี่ยสั่งวาา่าถ้าลูกผู้ชายใครที่เกิดมาในปีนั้นน่ะ น, นะเป็ดลูกผู้ชายเนี่ยจับฆ่าให้หมดอลัลลอ์น่ยคุ้มครองมูซาให้ปลอดภัย พอคอดออกมาได้สามเดือนฉันก็สั่งให้คุณแม่เธอเนี่ยมะเธอเนี่ยเอามูซาเนี่ยใส่หีบเอาหีบเนี่ยลอยน้ําฉันก็สั่งหีบเนี่ยร้อนเล่าเลยฉันสั่งหีบให้ลอยไปที่หน้าบ้านหน้าพระสัตของฟาโร่ฉันก็สั่งให้อีกพระวาฮีนะให้พระยาฟาโร่เนี่ยเห็นหีบ เราอยากได้หีบเมื่อได้หีบมาแล้วเปิดหีบเจอเด็กฉันก็สั่งภรรยาพารอให้รักมมซาคุณไม่ได้ขอเนี่ยนี่เล่าให้ฟังนี่เราเองที่อ่านคุณอ่านแล้วก็ต้องนึกของที่เราไม่ได้ขอทั้งเยอะแยะเป็นบุยคือร่างกายเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้ขอบคุณกัร้อยอย่าง นี่เรืเร่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละ ม, มันมันมันจำเป็นมากเลยฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอ์ที่เราเป็นมุสลิมอ่าข้อที่สองเราได้มานั่งอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดอันวาริซูนาเนี่ยนะครับวันนี้มาถึงสุราซอวดวันนี้พี่เฉลิมไม่ได้มาคนจะผู้คนจะไกลนะเป็นผู้ใหญ่นูสุราซอเนี่ยเป็นสุราที่3าดนะครับ เรื่องเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมก่อนจะอ่านคุณอ่านนี่นะอ่านอุษมิลลาก่อนแปลว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากไซตตอนทำไมอัลลอฮ์สั่งแบบนี้สั่งผ่านนบีให้นบีมาสอนไซต์ตอนเนี่ยอย่าดา่าอย่าดา่าไซตตอนไซตตอนเนี่ยถ้าเราไปด่าไซต์ตอนเนี่ยไซตตอนมันได้ใจ แล้วก็สั่งอีกอย่าเอายินมาเป็นที่พึ่งสั่งพวกเราสั่งนบีด้วยอย่าเอายินมาเป็นที่พึ่งแล้ววันนี้คนที่เอายินมาเป็นที่พึ่งนะพวกหมอดูหมดเลยเนี่รับผิดละ ก, การอิสลามทั้งหมดนะ่ะแต่อัลลอฮ์ไม่ทําลายก็รับให้อยู่ไปอยู่ไปเลีโลกนี้โลกเดียวนะ่ะพอตาแล้วจบถูกลงโทษด้วย อัอุซุบิลลาฮิมินัชัยย์อนีรอจีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากไชตตอนที่ถูกสาปแช่งคือว่านิสัยคนเนี่ยถ้าด่าใครเน่ะเขาแสดงอาการให้เห็นโกรธใช่นึกว่าไชตตอนก็เหมือนกันไม่ใช่สิฟัต์ศสตอนเนี่ยด่ามันเยอะๆเนี่ยมันทำอะไรมันดีใจเออด่ามากด่ามามแต่มนุษย์เนี่ยถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยอาการเป็นไง โมโหโกรธน บ, บีคือน บ, บีทำเป็นแบบอย่าโกรธสิถ้าโกรธนี่เหมือนใครได้ไหมเหมัอนชาตอนน่ะสิจะไหมแต่ชาตตอนมันมันไม่โมโหนะแต่มันจะยุให้เราโกรธอย่างนี้เป็นต้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะเราขออ่านคุณอ่านเนี่ยด้วยนามของอัลลอ ดังนั้นชีวิตของเรานี่ยนะจะทําอะไรก็ตามนะต้องเอ่ย น, นามอัลลอฮ์ก่อนจะปิดประตูบ้านเนี่ยอันบิสมิลลาจะปิดทีวีอันบิสมิลมลาจะเปิดทีวีอันบิสมิลลาจะใส่เสื้อบิสมิลลาจะปิดไฟบิสมิลลาจะเปิดไฟบิสมิลลาคนถามว่าทําไมอ่ะทําไมต้องอ่านบิสมิลลาทุกรายการเล ย, เลยน บ, บีตบอบว่า ใครที่ปฏิบัติงานอะไรก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้ถ้าเอ่ยบิสมิลลาทุกครั้งงานของคุณมีบร า, บ ร, าระกัดบาระกัดแปลวความความจำเริญนี่ความรู้นิพานอบีหมดนะฉะนั้นก็นึกถึงเอาลองเยอะๆบิสมิลลาจะเข้าสุราว่วาได้ไม่เป็นดวงดวอาว่าไม่ได้กับบิสมิลลาเพื่ยังดีเข้าของน้ำว่าไม่ได้แล้วกับิสมิลลาอันดับเอาไว้ก่อน อย่างนี้เป็นต้นนะครับบิสมิลลาฮิลด้วยพระ น, นามเราเริ่มอ่านคุรอ่านสูร้อซอดด้วยอะไรนะด้วยพระ น, นามของอัลลอ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีนะครับปราณีเมตตาเมตามตาปราณีเฉพาะบนโลกดุนยานี่โลกเดียวน่ะอัลลอ์มานเนี่ยนี่ทำไมอศาศัยตับซีเีเราไม่รู้นี่อัลลอ์เมตตาคนคาฟเ ฟ, ฟ่มุสลิม มาครับไม่เอาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาเราสูดไม่เอากูน อ, อ่านไม่อา่านกูนอ่านเลยเนี่ยอลลอก็ให้อยู่ไปเนโลกดุงยาไปนี้ให้ออกซิเจนให้หายใจของอัลลอฮ์ฟรีใช้แดดฟรีไม่ได้คิดสตังค์สักนิดหนึงอะ่ะแต Al man, im, ่อัลละห์มาอัลลอฮ์ให้มีอัลลอฮ์เนีเฉพาะแล้วเฉพาะปราณีเมตตาเฉพาะผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในโลกอาคีย์หลังตายก็เจอแล้วอาคียเป็นต้นนะครับ ต่อมาครับซอสซอดนี่คขาเีกว่าหรูฟมุคตตานเป็นอักษรที่ถูกแยกออกมาเป็นคำไม่มีความหมายผู้ที่รู้ความหมายที่ดีที่สุดก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหูวต่างแต่มีอุลมะเนี่ยเขาอธิบายคำว่าซอดไว้เล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้นัเล่าให้ฟังนะแต่ที่ถูกต้องก็คือไม่มีความหมาย ผู้ที่รู้ความหมายที่ดีที่สุดก็คืออัลลอฮ์ سبحانه ะุสุลตาท่านอิมามรอซี่ระหมอหุลลอธิบายบอกว่าซอสเนี่ยผบแค่นำมาแค่สองนะสองของนะสองความหมายซอดเนี่นะแปลว่าซอดาก็แปลว่านาบีคำพูดของนบีที่ออกมาจากปากนาบีแต่ละคำแต่ละคำนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ซอดดาก็เป็ ว, ว่าจริงทั้งหมดเลยขึ้นไปตัวซอดนะซอดิศซอดดากสิ่งที่นบีพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคําทั้งชีวิตของท่านยีสิบสามปีนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนบีไม่เคยพูดโกหกเนี่ยอุลมามะท่านหนึ่งอธิบายอย่างนี้นะครับอีกข้อหนึ่งอธิบายบอกว่าซอดหมาถึงซอดดาซอดดาหมายถึงต่อต้าน คนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยก็คือพวกกาเฟบทั่วโลกจะเป็นในยุคไหนก็ตามอิสลามเนี่ยไม่เจพาะสมัยนบีมูฮัมมัด น, นะสมัยนบีนัวอาดามีบรอฮีมยูซุฟอิลยาสอีษามูซา่าใครที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยนะพวกคนเหล่านี้จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไม่มียกเว้นฉะนั้นซอจะมีความหมายอยู่สองอย่างแปลว่า ต่อต้านหรือมีความหมายว่าน บ, บีนําเอาความรู้มาให้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สะอาดและเป็นเรื่องจริงแต่หมดน บ, บีไม่เคยพูดโกหกนะครับต่อมาครับวัลกูรานิซิกรีวัลกูรานิซิกรวัลกูรานแปลว่าคำพีกุราน วัลกุรานหมายถึงขอสาบานไม่มีตัวว่าอย่างไรนะวัลกุรานว่าแปลว่าขอสาบานสาบานต่อคัมภีรกุรานนี่เอาล้อสาบานนะมนุษย์สาบานไม่ได้ต้องเข้าใจนิดหนึงว่ามนุษย์เอากุรานมาสาบานไม่ได้สาบานต่ออับดุบบีมุฮัมมัดก็ไม่ได้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ได้เวลาจะสาบานต้องสาบานกับใคร อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นว่าลออย่างนี้เป็นต้นดิสอนให้ความรู้กับเราละฮัมดูลิละแต่เวลาเราไปไปศาล น, น, นะนะเราก็เอาคุณอ่านมาวางไว้ขอสาบานต่อกัมภีอัลกุรอานไม่ถูกผู้รับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่พวกเราผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่เป็นมุสลิมนะไม่แตะกับใครนะต้องรับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่พวก อิมองอิมามไปรับดิช่อเขาไม่ฟังเราหรอกเขาจะฟังใครอ่ะฟังผู้นำใช่ไหมกับผู้นาตรับดีชอออันนี้เป็นต้นนะ น, นี่แต่นิดนิดนะสอวอนัลกุรอานขอสาบานด้วยอัลกุรอานเล่มนี้เล่มที่เราถืออยู่เนี่ยถ้ามีกุรอานอยู่ในบ้านเนี่ยถามว่าอ่านการหรือเปล่า มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่านะเขาเชิญมีบ้านหลังหนึ่งเขาเชิญอิหมามไปสอนกุรอานที่บ้านมีสามีภรรยาอยู่ขระสองคนเขาไปสอนแล้วก็กลับบ้านเขาจะไปปีละครั้งบ้านหลังนี้นะเชิญอิหมามปีละครั้งไปสอนกุรอานแล้วก็เจ้าของบ้านก็เอาสตังค์เนี่ยวางไว้ หลายร้อยนะระหว่างที่เขาสอนจบแล้วเนี่ยสตางเนี่ยมันบินลมมันพัดมาสตางมันบินเขาก็เอาสตางเนี่ยใสย่ใบนาคพีกุรลานเวลาเจ้าของก็เปิดกุอานก็จะเห็นสตางทันทีเสร็จแล้วก็อิมามกลับไปบ้านก็มองโดนสตางหายไม่กี่ร้อยสอสารอยบาทก็สงสารอิมามเนี่ยลักสตาง พอสมสายอิหมามาจะาลอทั้งปีเลยนะ่ะพอปีที่สองก็ไปเชิญอิหมามมามาสอนกุลอานปีละครั้งพอสอนจบโทศถามว่าเออสติหมามจะเอาตอสตางวางไว้บนโต๊ะเนี่ยอิหมามเอาไปหรือถ้าเอาไปก็มีปัญหาฉันยกให้อิหมามว่าฉันไม่ได้เอาไปสตางมันบินมาม า, ากตกทักเอาเอาสตางใส่มานักกุลอานบทแรกๆเลย วบอกก็รอนนะถ้าคุณเปิดคุณอ่านคุณก็จะเจอนี่แสดงให้เห็นว่าทั้งทางทั้งปียังไม่เคยเปิดคุณอ่านเลยใช่ไหมเอาเงินใสไว้ในคัมภีร์คุณอ่านตั้งปีที่แล้วพวกคุณไม่ได้เปิดคุณอ่านดูใช่ไหมถ้าเปิดคุณอ่านก็จะเจออะไรเจอเงินกรดาอษหมาไว้แล้วหมาคุณามาได้ไป เสียใจอ่ะรอเนี่ยทงปีนี่เป็นแชร์ให้ชาว บ, บ้านรู้เลยนะ่ะแสดงว่ากุณอ่านจะมีอยู่ที่บ้านคุณคุณไม่เคยเปิดเลยน่ะไม่เปิดกุรอ่านอาลัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรเอาไปเลยริสกีเหมือนเดิมนั่นแหละเอาเมียไปสวยๆเอาบ้านหลังใหญ่กว่าเก่าเอกเอารถไปอีกสองคันเอกวนโวเอาไปเลยไม่เปิดกุณอ่านไม่ว่าอะไรเลยเอ็งเจออาดาับหลังตายหมดน่ะมุสลิมนี่แหละ ถ้าอยู่แบบนี้นะต่างคนต่างอยู่อยู่กันไม่จับกูอ่านแล้วไปอ่านกูอ่านอบูก็หาฟ่าใครพ่อของท่านใครของท่านอบูพักตร์รับอิสลามอายุเท่าไหร่แปดสิบรับเช้าเย็นอ่านกูอ่านเลยทําไมเขาอ่านล่ะแต่พวกเราเนี่ยย่าไม่แตะเยอะนะก็ขอร้องให้อ่านกูอ่านเถอะนะกูอ่านน่ะอล๋อ อักูอา่านเป็นอะไรครับจิสิคานี่เต็มไปด้วยจิกนะเก็นะจิกเก็ตปลวอะไรข้อตักเตือนอ่าคุารานนี่เต็มไปด้วยข้อตักเตือนเตือนใครนึกสิคุารานเตือนใครเตือนมนุษย์มันจะเตือนแมวนะกุารานมาเตือนคนอัลลอฮฺอาบดุ ถามว่าอัลลอฮ์เนีสั่งให้เราอ่านคุณอ่านหรือไม่สั่งถามก่อนสั่งหรือไม่สั่งอยายะไหนที่สั่งอ่านกุณอ่านอิกราะห็นไหมเป็นอยายะแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดที่ภูเขาไค อ, อิกราะอิกราะอิกราะมาราตนบีใช่ไหมสามครั้งมุฮัมมัดอิกระาะนบีว่ามาอ่ า, ากอ่านอ่านก่าอ่า น, านไม่เป็นพอน อนหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยเอาลองให้คนเดียวนะและประธานอัานอุรอ่านผ่านนาบีมาเนี่ยคนยาฮูดีเนี่ยยังใส่ลายมัมมัดอยู่เลยหว่ามัมมัดเนี่ยไปเรียนคัมภีร์มาจากคนนั้นคนนี้แล้วก็มาแต่งอุรอ่านเองนี่ยาฮูดีนะครับใส่ลายนะแล้วเป่าใส่หูมุสลิมอะ่ะเป่าใส่หูมุสลิมผ่านทีวีอะ่ะ ผ, ผ่านนู่นผ่านนี้เราก็เดินตามเขาเชื่อเขาหมดเนี่ยอย่างนี้เ็นต้นนะ ซิซิครีขอสาบานด้วยอัลก hm ุรอานวัลกุรอานิซิรขอสาบานด้วยอัลกุรอานอัลกุรอานนี้เต็มไปด้วยข้อตักเตือนถามว่าเตือนใครเตือนมนุษย์ไม่ใช่เตือนแมวเตือนใครครับเตือนคนที่เฉยเมย คนที่ไม่อ่านกุรานก็จะนคนเฉยเมยหรือว่าคนนึกถึงอัลลอฮ์คนเฉยเมยครับกอฟล่ามีภาษาของคุรานนะกอฟล่านี่เป็ น, น้องครับคนที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี่จะเป็นใครก็าตามที่กล่าวกะริมตาต่อให้แล้วนะละอีละอิลลอห์ลวอยู่แบบนี้แหละไม่ได้อ่านกุรานไม่ได้ศึกษา อ, อัลกุรานไม่ได้หาความรู้จากกุรานเนี่ยก็จะเป็นคนกอฟละาคนที่อยู่เฉยๆพี่ น, น้องแล้วก็วุ่นหาอะไรนะ หาเงินหาเงินเนี่เพลินได้ไหมเพลินเพลินไมอุปกรณ์อายาไหนจะว่าหาหาเงินแล้วเพลินนึกออกไหมอัลฮะกุมุตตะการแข่งกันสะสมให้มีเงินเยอะๆอัลฮะทาให้ท่านต่งางๆนั้นเฉยเมยการวิ่งหาเงิน หาเงินหานน้นหานี้หาดิสกีเพิ่มพูดเอาล่ะไม่พูดหรอกหาไปเถอะแต่ว่าอย่าลืมทําให้คุณเนี่ยลืมนึกถึงวันอาคีร์ทำให้ลืมนึกถึงการนมาสการวเวลาทําให้เฉยเมยตัวการอ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลฮะกูมุตะกาสุรการสแสวงหาแข่งกันหาเงินเยอะๆเนี่ยทำทั้งหลายเนี่ยลืมหรือเฉยเมยฮัตตารุรตุมุลมากรบ จนกว่าคุณจะไปเยี่ยมกูโบเขาาไาเยี่ยมมาถึงแบกไปกูโบมันเดี๋ยวไปเองด้วยนะเขาแบกไปด้วยนะพอไปถึงกูโบนะ่ะเพิ่งจะรู้เตอเลยอัลลอฮฺสายไปแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเล่าเล่าให้ฟังไม่ลงโทษในเห็นนะ่ะเมตตามนุษย์ขนาดไหนนะแตนีัขจารูตุมุลมากอเบ กัลลาซาอูฟ oh, ร oh, ัต ah <id> ้าอัลลามุนซุ่มมะกัลลาซาอูฟรัต้าอัลลามุนกัลลาโอ้นี่ยคุรันตัวนี้นะพอไปถึงกูโบแล้วตาเพิ่มสว่างอายาไหนครับฟากาชาฟุนังกาลิโคอากาฟบาบวาลุกัลยาอุมะฮัดิดสุรักอฟอายาที่สุรัที่ห a าสิบอ u ยาที่ยี่สไปเช็คดูเองนะครับ เมื่อเขาถูกพาไปที่กูโบนะอาร้อจะเปิดอะไรนะเปิดม่านตาอย่าลืมว่าตายแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวตอนหน้าเราถ้าหากไม่รู้สึกตัวพอบากไปแบกไปกูโบน์เมื่อไรนะพอฝั่งกูโบนะอาร้อจะเปิดม่านเนี่ยม่านแต่อาร้อไม่ให้เห็นมาดิกาใช่ไหมน่ะมาดิกามีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับแต่เราตาเห็นมาดิกามาเลย ที่มาสอบสองรา ม, ามังมงกันนเกเกน่ะมาคุยกับเราแบบนี้ล่ะตายจินอะไรก้างมี์แล้วเนี่ยนึกเลยอะ่ะทั้งชีวิตที่ผ่านมานี่ที่เฉยเมยหลงดุลยาหาเงินหาทองอยู่กับผู้หญิงอยู่กับรถอยู่กับความสุขไรแต่อะไรก็แต่นึกได้หมดเลยฉันเสียใจน่ารู้เลยเนี่อรรรนเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนแล้วก็มาสอนพวกเราวันนี้ฉะนั้น ความสุขบนดุญยานี่นะยิ่งหาเงินยิ่งเพลินไหมหาตำแหน่งเพลินได้ไม่เพลินก็ดูสอสอบรรเรกกันแล้วกันเห็นไ่ม่ะแต่ตรงนีมง้มองเองออกเลยนะเพลินนะชื่อเสียงตำแหน่งเจติยศใช่ั้ยล่ะผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นพรรคกันเหมือนก็ดูเหมือนดูเองดูพรรคเลยพรรคปชาิปัตย์เคยดังในในในเมืองไทยตอวนี้เป็นไงนึกเองว ที่อเมืชาประชาชิปะปัเยอะพูดมากไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นกอล์ฟเล่าเนี่ยอะไร น, น, นะก็ลามาถึงเฉยมืออยู่บนดุงใานี่เล่นการเมืองจงกระทั่งลืมอัลลอะ์เล่นการเมืองจงกระทั้งลืมอิสลามเล่นการเมืองจงกระทั้งลืมอัลกุรอานลืมบันทาระร์เล่นทำามอะพอตายพับอัลลอฮ์ฝักกรชันาอังกาออกะอัลลอฮ์จะเปิดม่านเห็นหมดเลยว่าฉันเนี่ยผิดไปแล้ว แล้วก็จะบ่นว่าไงนะยาไวลานาใ น, นสุรอรรมบที่ยี่สิบเอ็ดอายาที่เก้าสิบเจ็ดยไวลานากอดกุนาฟีรอฟละความวิบัติแก่ฉันเออที่ไปตะโกนอยู่นะกูโบะยาไวลานาแปลเป็นไทยก็คูชิบหายแน่เห็นไหม <c oughs> แล้วบ่นว่าไงนะ กอดกุลนาฟีกอบรัชชาจินเราอยู่ในความเฉยเมยไม่ไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับโรคอาคิโรเลยเอาแต่ดุนยาดุนยาดุนยาหาแต่ความสุขความสุขความสุขอัลลอฮฺถามในอบุคุอานเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมความสุขที่คุณได้รับเนี่ยสี่สิบปียกตัวอย่างเวลาเจออาซาบูโบเนี่ยไอ้ความสุขสี่สิบปีที่ชาชีวิตมาแบบไม่รู้จักอัลลอฮฺมาเนี่ยช่วยคุณได้ไหมช่วยได้ได้ไม่ได้ ม, มีทางช่วยเลยฉะนั้นอามันที่สอนและอีมานตักัวายาตินยาซานอิคลาสที่เราอยู่กับศาสนานี้เน็ดเนยกระลุกขึ้นนมาตะหยุทธเน้นเนยกับการเดินมาเมสยิดเน้ดเนยกับการให้อภยัยคนเขาด่ารามาเราให้อภยัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นอามันที่ซอนและประช่วยเราได้ประคองเราได้หลังจากตายไปแล้วครับต่อมาครับ คำว่ากุลอานในคเพีกุลอานอธิบายกุลอานเองนะครับในมีทั้งหมดมีชื่อทั้งหมดสิบแปดชื่อเอล่าให้ฟังเลยนะชื่อกุลอาเ น, นี่ยนะหนึ่งเรียกว่านูรุนรัศมีพี่น้องไปเจอในกุลอานนูรุนเนี่ยต้องนึกในเป็นเรื่องใเป็นกุลอานข้อที่สองเมาอิซอตุลเป็นข้อตักเตือนสาเป็นซิฟาอุนเป็นยารักษาโรค รักษาโรคอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่โรคไอที่โรงพยาบาลรักษาที่บมอรักษาไม่ใช่นะโรคที่มองโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ที่หมอทั่วโลกรักษาไม่ได้ก็ไม่โรคอะไรครับโรคชิริกโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้โรคโมโหโรคโกรธโรคผูกพยาบาทโรคอรคชีเหนียวโรคอะไรอีกอะโรค วัวจนทั้งหมดเหล่านี้นี่นะโรคเหล่านี้นะครับโรงพยาบาลรักษาไม่ได้แต่กุอรอ่านรักษาได้เห็นอย่างครับนนี้อราล่าใฟังกันขันานนี่แล้วนะคนมันยังกฟลาเลยยังเฉยเมยเลยต่อมาครับฮูดากุอารอ่านเป็นทางนำสำหรับชีวิตข้อที่หวัวข้อที่ห้าากีมุนกุอรอ่านคือความรู้ knowledge มีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ เ ต, ต็มๆกับคัมภีร์คุณอ่านทุกอายาเลยครับข้อที่หกรักมาเป็นความเมตตาข้อที่เจ็ดมุบารักเป็นความชําเริญข้อที่แปดบาชีรุนอรรถให้กุณอ่านมาเป็นการแจ้งข่าวดีให้รู้ล่วงหน้าว่าทําความดีจะได้อย่างนี้ได้รางวัลตอบแทนจากอรรถแบบนี้แล้วก็นาซีรุนแจ้งข่าวร้ายให้รู้ว่า ถ้าคุณไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูนไม่นามาตไม่ทำดีกับพ่อแม่เองถูกลงโทษแบบนี้ในกูโบหลังตายเล่าให้ฟังในาัลกุรอานหมดแล้วข้อที่สิบอาซีรุนเอาความรู้ที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับความรู้ที่อยู่ในกูรอานไม่ได้เลย <c oughs> ในโรคโควิดเนี่ยวิงหายากันใช่ไหมล่ะ คนที่วิจัยเรื่องโรคโควิดเป็นมุสลิมะมาจากตุรกีไปอยู่ที่เยอรมันอ่านในหลักแค่นี้พอนะแต่มันมีอยู่ท่าหนึ่งโรคโควิดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนอนก็นไม่ออกยืนก็นไม่ออกคงงโคลงก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกหายใจอึดอัดมีอยู่ท่าเดียวทายรู้ไหมสูด พอสูดหดอัลฮัมเวลาหายใจโล่งเลยยังคิดไม่ออกเององะให้สติปัญญามาให้สมองมาสร้างจรวดได้ขึ้นเพีงบนแต่จะให้หัวเองเนี่ยหัวใจสบาสบาตอนสุดหยุดคิดไม่ออกนี่ท่าอะไรอะถ้าสูดหยุดมากๆอัจะเป็นมุสลิมใช่ไหเออยยาายายาแอนตี้ก็ต่อไปจะมีปัญหาดักูรานนะครับได้ชื่อว่าข้อที่สิบสิบหกที่ทีบอ กุณอ่านก็คือคำพีคุณอ่านเรียกว่าโฟรกรกุณอานเรียกว่าอัลซิครูกุณอ่านแปลว่าอัลตนันซินสิ่งที่ประทุประทานลงมากุณอ่านแปลว่าอัลฮักกูเป็นความจริงกุณอ่านอัลซาลฮิดีสเป็นถ้อยคําที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นข้อที่ข้อที่19บเุรฮานุนเป็นหลักฐานที่ชัดแจง้งชัดเจนนี่เป็นคําพีกุณอานมีชื่ออยู่ในคำพีกุณอ่านทั้งหมดอธิบายท่้นพี่น้องฟัง หรือมากับพยาสอมบับัลิบัลลิบัลลิบัลลิบัลิัลลิบัลิบับัลิลลิบัลบลิลลิบัลลิบัลิบัลลลิบบัลบลลัลลัลลิบั แต่บรรดาผู้ปฏิเสธแต่บรรดาผู้ปฏิเสธคุณปฏิเสธในโลกนี้เยอะไหมล่ะเยอะมากครับนี่ต้องการจะเล่าว่าเล่าให้น บ, บีฟังญนะาติน บ, บีทั้งหมดในนครมักกะไม่แต่ประเทศอื่นจะอาจจะอธิบายถึงประเทศอื่นก็ได้ในวันนี้เราเล่าว่าญาติน บ, บีทั้งหมด จะเป็นอบุล้ับอาบุญจะให้ใครตะกายที่เป็นหัวหน้าพวกกูเรชทั้งหมดในที่แอนตีนบีเนี่ยนะเรียกว่ากาฟารูแท้จริงผู้ที่ปฏิเสธนะั้นเะวลาได้ยินกูรา่านได้ยินคำสอนจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ตั้งชื่อไว้ประมาณสิบเจ็ดสิบปชื่อนะ่ะดีหมดเลยนะได้ยินกูรา่านเข้าหูปั๊บเนี่ยเป็นยังไง ร, รู้ไหมฟีตินอยู่ใน การลําโพงคนที่อา่อานกุณอ่านศึกษาอาัานคุณอานเนี่ยพออ่านแล้วจะนอบน้อมถ่อมตนใช่เลยไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยอย่างนาบีเนี่ยบรรดาซอบ้านนาบีเนี่ยพออา่อานกุณอ่านแล้วหัวใจมันนอบน้อมถ่อมตนถึงก็ร้องให้มีใช่ไหมล่ะแต่คนกาเฟ่ได้ยินกุณอา่านนี่ฟีอิสซาตินอยู่ในการลำํำพอง เมาอำนาจแล้วไปไปไปอ่านกรุารานในในสภาดูสิอำนาจเบนกันหมดเลยเว้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ามาอ่านกรุารานในฉันฟังไปเลยไปอ่านสูเราเองก็ไอเปล่ย่ามานั่งในสภาก็ไม่รับหรอกมาเวลามันมีอำนาจใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺให้นู่นให้นี่ให้ชื่อเสียงให้เกียรติยศให้เงินใ ห, ให้ทองฉันไม่เอาไม่เอากรุารานขนาดใครอ่ะประเทศอะไรนะ บูนายใช่ไหมกริส์บูนายเนี่ยออกกฎหมายฉบับเดียวนะใครทำชู้ทำดีนาจะจับฆ่าเพียงจะเอ่ยนะว่าฉันจะวางกฎหมายยังไม่ได้ใช้ยังไม่นำมาปฏิบัติเลยทั่วโลกเป็นไงโอ้โหแอนตี้กันหมดเลยเห็นยังนี่เห็นยั ง, ยยงฟีไอตินเรื่องราวจากคำพิกุณอ่านเอามาใชาบ้บนโลกดุญยาใบนี้คนกาเฟตจะ แอนตี Anti, แล้วก็พยองอย่าเอาคุรานมาใช้นี่หน้าที่ของคนกาเฟตทําแบบนี้แต่หน้าที่ของเราจะเดินตามคนกาเฟ่ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องพยายามทําตัวกันข้ามทำํำเหมือนท่านนับดุลหม่มัตนอบนอบ้นอมท่อมตนน้นําตา ม, มันไหลเพราะฝ่ า, า, ออาคุรานคุรานแล้วน้ําตา ม, มันไหลหัวใจเนี่อ่อนหมดเลยครับเียน้องต่อมาครับว่าชิกา ชิกอกไปว่าการแตกแยกคนที่ไม่เอาหลักการอิสลามไปใช้ไม่เอาหลักการจากอกุรอานไปใช้เนี่ยเขาทะเลาะกับใครชาวบ้านบอกว่าถ้าเองเอาศาสนาอิสลามมาจากนาบีจริงๆมาจากอลัลลอฮ์มาสอนทาให้ญาติพี่น้องแตกกันพูดพิษ เขาทะเลาะกับอัลกุรอานอยู่นะชิโกะมาถึงทะเลาะกันแตกแยกกับอัลกุรอานไม่ใช่แตกแยกกับมนุษย์อคนที่อวดดีนะอวดดีไปเถอะที่เราเห็นก็อย่าเอาสุนนะจากนาบีนามาสอนในหมู่บ้านไม่ได้ทําให้คนแตกแยกกันก็ชิโกะก็แตกแยกนี่แหละแต่อัลลอฮ์เล่าว่าไม่ใช่มนุษย์มาแตกแยกกัน เองเกําลังทําตัวเป็นศัตรูก enfin. ับอะไรกับอัลกุรอานเห็นยังครับนี่พออ่านกุรอานแล้วอัลลอฮฺสบายใจอัลลอฮฺนะคนที่ไม่อ่านกุรอานและปฏิบัติตรมกันข้ามไปอัลกุรอานกําลังทําตัวแตกแยกกับใครกําลังทําตัวแตกแยกกับอัลกุรอานอายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องแบ่งมรดกผู้หญิงได้เท่าไหร่หนึ่งส่วน ผู้ชายได้สองส่วนไม่เป็นธรรมอะ่ะไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะต้องให้ขึ้นคืนศาลเนี่มาไอ้คณกาเฟ่มาตาเิลปคนที่ไม่เคยสู้อยู่สักครั้งหนึ่งนนะ่ะทั้งชีวิตนะ่ะไม่เคยอาบน้ำนำมาทาั้งทั้งชีวิตนะ่ะมาตาศิลปปัญหามุสลิมต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เอ้ไม่ิสียใจมาำพำไเราไปหาเขาน่ะถ้าข้าพเาอัลลอฮ์นะี่ไม่ดีกว่าเหรอ ฉะนั้นคนที่เอาคําสอนของคนกาเฟ่เนี่ยนะมาตัดสินชีวิตของเขาเรื่องแบ่งมรดกก็รอไปไปแล้วกันมึงจะเจออะไรขึ้นอนันทียอันตรายที่เล่าให้ฟังแค่แค่นี้นะแต่มากกันไม่ได้เดี๋ยหัศก์ชีกองไปว่าขัดแยกกันหรือแตกแยกกันไม่จะแตกแยกก็แยกชั่วญาติพี่น้องก็แตกแยกแล้วยังไม่เท่าไหร่นะนี่ไปแตกก็แยกกันอะไรกับอัลกุรอานกับสุนนะของท่านนาบีกับญาติอัลลอฮ์อักบานมันหนักที่สุด น, นะ ต่อมาครับบลัลลลนกฟรูฟีอิติวะชิกาะแต่บรรดาผู้ปฏิเสธอยู่ในการลำพองมาถึงมาอำนาจและก็การแตกแยกอิจตาน เ, เนี่ยซับเดิลเนี่ยแปลว่าผู้ผู้ชนะ แต่ตรงนี้แปลว่าอิสติกบารอนเยอรยิงจ้องหงองหล่ออักบัตลำพองเมาอำนาจนะครับอัตามาญาติสามกัมอาหะลักษณมิ่งกบัลิมมิ่งกอร์นิมฟานาดูวะลาทัพีนัมานัส กัมอาลัคนามิงกอบลิฮิมมิงกอร์ฟานาดงวลาดท حين มานาสอัลฮัมดุลิลลาห์กัมแปลว่าเท่าไหร่แล้วกี่มากน้อยแล้วอาลัคนาเราได้ทำลาย เราได้ทำลายฆ่าให้ตายทั้งๆ ท, ที่กำลังมีความสุขอยู่หาความสุขกำลังนอนอยู่บนบ้านกำลังนอนกอดผู้หญิงอยู่ชายหาดกำลังแก้ผ้าอยู่กำลังดื่มเหล้าอยู่กาลังทำดินาอยู่เราได้อะาแลักนาะเราได้ทำลายพวกเขาเหล่านะั้น มิงกอบลีมก่อนหน้าพวกเขาก่อนหน้าคนอาหรับมุชริกในนครมักกะคนที่มาก่อนหน้าในยุคไหนยุคนบีมูซายุคนบีคอิซายุคนบีนัวยุคนบียูซุปแล้วก็ตามแต่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเราถ้าทําลายคนเหล่านั้นรู้ได้ไงครัพระว่านาก็อ่านดูสิอ่านอ่านกูอา น, นก็จะเจอทันทีว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทำลายบุคคลในอดีตมาเนี่ยนะ เท่าไรมาแล้วมิงกอรินก็ต้องบอกว่าชั่วคนหรือสัตว์ตกีสัตวต์มาแล้วเกี่ชั่วคนมาแล้วสัตวรเนี่ยมีความหมายอยู่แปลว่าท่านแปลว่ากอรโณสัตวต์ใช่ไหมกี่ปีท่านคาซันบอกว่ายี่สิบปี เลียกว่าศตวรรษหนึ่งท่านอบูอัลไบดา้าบอกว่า40ปีท่านอิหม่ามอัลกัลบียบอกว่า80ปีแต่ท่านนาบีอธิบายว่าศตวรรษหนึ่งมีร้อยปีจะเชื่อใครเชื่อใครคนไม่เอานาบีก็เชื่อคนอื่นไง40 50ก็ว่าไปเลาไม่ว่าเราแต่นบีบอกว่าศตวรรษหนึ่งมีอยู่100 years มีอาสนะอางนี้เป็นต้น ฉนันกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วที่ผ่านมาจะเป็นร้อยปีแปดสิบปีหกสิบปีอะไรก็าตามที่ผ่า น, านมาอาลัลลอฮ์ได้ทำลายอพูดกันง่ายๆเนี่ยเมื่อสามทิร์นเทรดใช่ไหมาาเทิร์เทรดในมนุษย์ทํำนะเซนามิเนี่อลัลลอฮ์ทำใช่หรือไม่ใช่แล้วที่ไหนอีกล่ะพายุกเกย์ครารรมเนี่อัลลอฮ์ทำ แล้วก็น้มท่วมที่อยุธยาในกรทมนี่อลอทำแผ่นดินไหวใครทำอลอทำโรคโควิดที่ใครทำมนุษย์อาจจะทำก่อนแล้อลอกระดแสนรายแผนซ้อนแผนแล้วก็บุคคลตายไปเท่าไหร่ในโลกนี้อลอเล่าในบกบิปการเคยใช้ปัญญาหรือเปล่ากรรมอาลักษณามิงกอบลิหิมมิง กน็นินกีตั้งกี่ชั่วคนมาแล้วก่อนหนะ้าพวกเขาเราได้ทําลายให้พวกเขาเรียบร้อยไปแล้วให้ลงโทษตายอยู่ในกุโบหมดแล้วจมใต้ดินไปหมดแล้วหาศพไม่เจอกว่าเยอะแยะไปหมดแล้วได้ขอคิดอะไรบ้างพี่น้องอาหรับที่แอนตีนบีมุ h ม m m a d แอนตีอัลกุรอานแอนตีสุนนะนบีนนักบุญมา ก, กันนะ เอ็งได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ็งเดินผ่านเดซีใช่ไหได้ข้อคิดอะไรบ้างเดซีนะใครทำอลัลลอฮทถาแล้วพวกเราก็ไปแล้วใช่ไหอังกอ์อีไปวางอยู่ในน้ำน้ำเค็มอะ่ะไม่จมดีใจฮะถ้าเอ็งกุรอาเอ็งจะรู้เว้ยตรงนี้มันคนที่ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันก็รอดลงโทษชายปัญญาบาังหรือเปล่าอาลัลลอถามในกุรา กัมอาลัคนามิงกอบลิมมินก้อนนินตั้งกีชั่วคนมาแล้วก่อนหนะ้าวกเขาเราได้ทำลายไปแล้วพอถูกทำลายปับ๊บเยนะขณะนี้นะฟานาดาวนี่ตายไปแล้วด้วยนะเราลเล่าให้ฟังหรือมุทิกนตายด้วยพอถูกบละมาถูกอาดาบมาเนี่ยนาดาวไปบนเขาร้องเรียก นี่เป็นนิสัยของมนุษย์เดิมๆที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยเวลามีบาลลาเนี่ยร้องไหมร้องทุกคนปวดหัวข่าวร้องเลยไหมร้องร้องตกลงมาจากที่สูงๆมาเนี่ยร้องได้ไมร้องร้องหมดมันมีร้องสองอย่างร้องเสียงเบากับร้องเสียงดังแต่นาดาวเนี่ยในตัาแหน่งจะแว่าร้องเสียงดังตะโกนเสียงดังถูกบาลา ฟานาเดวเขาได้ร้องเรียกขอความช่วยเหลือนี่ภาษาอุลยุอธิบายดีนะร้องเรียกขอความช่วยเหลือขอจะใครหรือไหมขอจะอัลลอฮ์นะเพิ่งเห็นอัลลอฮ์อ่ะอ้าวพอเจออัลดาพพอตายพับเจออัลลอฮ์ทันที อ, อ, อัลลอฮ์อ อ, อัคบัรอัลลอฮ์อัคบัรนี่นรกมีจริงสวรรค์มีจริงฟานาเดวร้องตะโกนเรียก เสียงก็เสียงดังมากครับร้องเรียกมีสองอย่างครับนาดาในตำสิกรกุลตัวบีตัแปลวันหนึ่งร้องเรียกขอความช่วยเหลือให้ช่วยหน่อยฉันไปไม่ไหวแล้วเรื่องเรื่องที่สองร้องเรียกอยากตาบ่าตัวที่ผานมาเองมาร้องเรียกเตาว่าตัวหลังจากตายแล้วอลัลลอฮฺรับหรือไม่รับสถานที่เตาว่าตัวหลังตายหรือก่อนตาย พอตายเพิ่งรู้ว่าสถานที่เตาเบาตัวอยู่บนโลกดุนยาไปนี้พอไปอยู่ในกุโบแล้วไม่มีสิทธิ์เตาเบาตัวเองจะขอ ร, ออร้องจะลอยยังไงให้อะไรนะให้น้ําตามันไหลออกมาเป็นเลือดด้วยนี่ฝน่าเดาพวกเขาร้องเรียกด้วยเสียงดังๆตะโกนตะโกนสองเรื่องช่วยหน่อยฉันแย่แล้วอยู่บนดุนยานี่มีคนมาช่วย ทหารเมียนมานอายุตัวอย่างาง่ายๆที่ฆ่าโรฮิงญาไปกี่แสนกี่ล้านนั่น่ะวันนี้อรรรดลงโทษเคอยังสำไมตัวอย่างต้อนึกครับไปทำลายมุมินผู้ศรัทธาของอรรรดคนที่นมาถ้าเวลาไปยิงเขา้งไปฆ่าเขาอะแล้ววันนี้เป็นไงอัะแตะตรงนิดเดียดน่ะนะเพื่อเข้าใ จ, าใจกระจุยอิสาม กรมอลักษนามิงกอบลีหมิงก็เนนกี่ชั่วคนมาแล้วก็แค่สิสบปีสิบห้าปีที่ผ่านมาเห็นอย่างครับอลัลลอฮ์เล่นเล่นงานมุสลิมแ ล, ล้วลอลงโทษให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราจะเอนะินเอินนู่นมักการนู่นใช่ไหมพวกอบดุลจาฮันบุกรศใครตะใคที่เล่นงานนาบีด่านาบีอลัลลอฮ์ลงโทษหมดนะ อ, อับดุลละคตายดีหรือตายตา ย, ตายไม่ดีตายจะโรคอะไร บุลาบ่ะตาจะโรคฟีดาษครับนอนตายคนเดียวในบ้านเป็นพ่อนะไม่ใช่พ่อเนี่ยเจ้าพ่อจะพ่อเหมือนเหมือนเหมือนเหมืกกอนมะก้าตายคนเดียวลูกหลานไม่เห็นพอเป็นโรคระบาดแบบโรคโควิดนี่แหละเสร็จแล้วพอตายเสร็จแล้วเนี่ยมารู้ข่าวมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ยกศพไปวางที่พื้นที่ดินนะแล้วก็จ้างคนมาขุดหลุมแล้วเอาไม้งะเนี่ยเราให้ภาพให้เห็นให้รู้กันทุกคนน่ะ เอกนัทหรายดต่ออร่อยเลยังดานบีมุฮัมัดอยยังดสุ้านบีอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะฟานาดาวัลลาต้าฮินะมานาสฟลาวัลลาต้าขณะที่ฮเวลาไม่มีเวลามานาตว่านีรอ ขณะที่คุณร้องตะโกนอยู่ความตายมาอาสาบมาการลงโทษมาเนี่ยแล้วคุณเรียกร้องเรียกตะโกนขอความช่วยเหลือขอนุนขอนี่ขอเตาบ้าตัวจะไป น, น, น้องนีรรอตไหมนี <c> ่ <oughs> นี่ไม่รอ ด, ดัตเลยสักนิดหนึ่งนี่เล่าในคุรอ่านให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราอันนี้ครับตัลงว่าอาจาบในในหลังตายมีหรือไม่มีมีครับ อาลาบหลังตายมีกันไม่ใช่ไม่มีแต่คนที่เป็นมุมินก่อนตายที่มีอีมานต่อลารองที่มีตะวามียะตีนมียาสามมีกันนอนสบายหมดเลยครับในกูโบถูกรัดไม่ถูกรัดด้วยแผ่นดินก็รัดเหมือนกันรัดแบบรักๆ ก, ก, กับรัดแบบให้ให้สุขคงประสานกันอย่า ง, ง, น, างนี้นะกูโบเนี่นะในคัมภร์อานจะอธิบายไว้ครับเอาต่อมาครับจะล้งว่า การทำลายจารอนะมีหรือไม่มีมีครับที่ผ่านมาในอดีตนะเอาต่อมาอายาที่ที่ที่สบ่ b a l a j i ุ u n j a h u m Munzirum minhum Fakalalkafirun haza shahirun khabb บรรดาจิบุอ oh um ันเจ้าหุมมุนซิรุมมินหุมกล่าวอัลคาฟิรุน هذا ساحر كذاب الحمد لله นี่พูดจากุรานนะครับคุรานเป็นคำพี่เล่มเดียวนะ ที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนี้ที่มาจากอัลลอฮ์ส่วนคำพีของอัลลอฮ์เหมือนกันที่ให้กับบรรดานบีคนก่อ น, น, นให้พวกบรรดาิสราเีลพวกยิวนี่แหละอบปดาอุลามาเน่ยอุลามาของของยัฮูดีนี่นะสังขยนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดอัลลอฮ์รู้หมดเลยอะ่ะ ล้วก็เล่าให้นบีฟังท่า น, นคำคำพิเศคุณอานเหลื อ, เห ล, อเหลืออีเล่มเดียวเราว่าอินนาลาหูลาฮาฟิลูนเรารักษาเองเอาวิธีรักษาของล่อเนะ่มาเนียบอะไรมาแบบเนียนๆเลยนะวันนี้ลูกหลานเราทองจาคุณอานกันหรือเปล่าในบรราเนี่ยมีเป็นล้านนะในอินเดียเท่าไรในปาจีเท่าไ ร, ใ น, าาไรในโลกอาหรับเท่าไรลูกหลานพอจำคุณอาน นี่วิธีรักษากุลาณองอัละแล้วคนที่แอนตี้กุลาณน่ะอัลลอฮ์ให้อยู่สบายมากกว่าเก่าไปนะมีบ้านโตๆใหญ่ๆมีรถคันง า, นงามๆแล้วก็ดาไข้ก็ได้ดาอิสลามก็ได้วางแผนข้ามมุสลิมเชิญตามสบายเลยแต่ขณะเดียวกันยิ่งทำลายอิสลามกอลาณว่างไงนะ ว่าเราไอ้ท่านญาติครูน้าฟีดีนี่แหละที่อาฟวยจะคนจะเข้าหาสัสนาอัลลอฮ์เป็นหมู่หมูหมูและนบีสัง่งอัลลอฮ์สั่งนะมารยาของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อเห็นคนเข้าห า, หาอัลลอฮเยอะเนี่ยให้การไงรูร้ไหมฟัสบิย์สุบฮานอัลลอฮ์แล้วต้องว่าคำนี้นะมีคุรักอุสลาม سبحان الله ลัวายวับิฮัมดิควับิฮัมวับิ سبحان الله วับิฮัมดีอ in in ัลตักฟิรุลลอฮฺซาบัยอุ سبحان الله ลับฮัมดุลิลลาฮฺอัลตักฟิรุลลอฮฺฟาซับบิฮ์บิฮัมดิรับบิกาวัสตักฟิร์ู่อธิบายคานี้เมื่อคนรับ伊斯兰เราได้ยินใช่ไหที่นั่นนะครับที่สันติชนรับที่นุนรับที่นี่รับที่ละคนสงคนสามคนอัลลอฮอั แล้วก็ปีหนึ่งมารวมทัวกะทีน ก, การเป็นจะมาอาหญ่าช่ไหเราเห็นเรารู้สุบฮานัลลอฮฺอะไรไม่ต้องพูดอย่างอื่นสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัสตัฮฺวิรุล ล, ะล illah, าละเท่านั้นกู <c oughs> แน่ยา <c oughs> ให้ทอมตน้นให้ทอมตน้นอัลลอฮฺอกบัตยาเยาะยิงแบบฟาโรกอรุยา ให้ทำตนแบบใครแบบนบีมุฮัมมัดเข้าหาอัลลอฮ์สุญญ์นานๆขอบคุณอัลลอ์เตือนลูกเตือนภรรยาเตือนตัวเราเองสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัสตักฟิรุลลอฮ์เยอะๆครับนต่อมาครับบัลหมาจบูอันจาอุมเมื่อกุรอานลงมาแล้วนี่นะพวกนี้มองกุรอานเป็นยังไงรือเปล่า และมองนบีได้เป็นยังไงและพวกเขาชาวอาหรับมักกะอาจิบูประหลาดใจแปลกใจแปลกใจนะพี่น้องนี่ยลอเล่านิสัยของคนอาหรับมุชลิกในนครมักกะล่าวให้นบีฟังว่าญาตท่านนี่แหละมีกุรอ่านลงมาจากชั้นฟ้ายี่สิบสามปี พวกนี้แปลกใจอันเจ้อาฮุมที่ได้มายัางพวกเขามีกุรานลงมามีนบีมาเพราะว่าถ้านบีไม่มาคุรานไม่มาพรอนบีมากุรานมาเราจะเรียกรวมน ะ, ะเรียกรวมจะเรียกนบีเรียกคุรานเรียกพร้อมๆกันมุนซีรุนผู้ตักเตือนมินหุมจากพวกเขา มูนซิดแปล ว, ว่าผู้ต่างเดินหมายจะใครนบีมุฮัมมัดพวกชาวอาหรับนครมักกะที่เป็นกาเฟสเนี่ยแปลกใจที่มีชายคนหนึ่งในกลุ่มพวกเขาเนี่ยอลอยยกขึ้นมาให้เป็นอะไรนะให้เป็นนบีมินฮุมจากพวกเขาเององการอธิบายว่าถ้าเอาคนอื่นมาเป็นนบีมาสอนคนอาหรับมันย่งไม่ไม่เอาไหนเลยนี่ขนาดพวกมันเองนะ เอาอาบด้วยการที่พูดภาษาอารับและย่าดกันด้วยเอาลูกหลานขึ้นมาเป็นนบีคนหนึ่งพวกนี้แปลกใจส่งใครมาและความคิดความคิดของคนทั่วทั่ไปนี่น่าจะภาษาอุรูกดูอธิบายดีนะความคิดของคนกาเฟสเนี่ยคนจะเป็นผู้นำลีดเดอร์นี่หนึ่งต้องเป็นคนรวย เป็นคนรวยและมีชื่อเสียงโ ด, ด่งดังคนจนไม่ได้ครับนี่ความคิดเดิมของมนุษย์แต่อัลลอฮฺสงนบีมาเนี่ยมาจากตระกูลดังแต่ครอบครัวจนโอ้โหผู้ที่รับ啊โอ้โหไม่รับไม่รับไม่รับอัลลอฮเล่านะเขาแอนตี้มูฮัมมัดนะเขาพูดอย่างนี้พวกเขาเนี่ยนะประลาดใจที่มีผู้ตักเตือน มุฮัมมัดเนี่ยคนหนึ่งจากกลุ่มพวกเขาเองขึ้นมาเป็นนบีพอขึ้นมาเป็นนบีแล้วเนี่ยมันไปดับรัศมีของเขาหมดเลยพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายที่ดังๆอยู่นะดับรัศมีหมดเลยกอลกาฟิรุรนคนกาเฟตแปลกใจเลยยังไม่พอยังพูดต่อว่างไง น, นะฮาลาชายคนนี้ หมายถึงนบีมุฮัมมัดเป็นอะไรซาฮิรุนเป็นมายาก่อนเป็นพวกหมอดูเป็นพวกสยายศาสตร์ดารุชมภาษานี้ดาดาสองคำครับอยู่ในอาญา น, นี้การจบโกหกเป็นคนพูดโกหกตัวยกเนี่ยอลอนเล่า เอาคำพูดของคนที่ดา น, นาบีมาใส่ใ น, นกระเพือกูร่ราแล้ววันนี้คนที่ดา น, นาบีมีเปล่ามีครับอธิบายง่ายๆก่คือคนคนแขกด้วยกันนี่แหละพี่น้องชมนบีสุลาาตนานาบีไม่ยอมเรียนเพราะอะไรชมนบีแต่ยึดประเพณีปฏิบัติ อ้ายึดประเพณีปฏิบัติประเพณีปฏิบัติเนี่ยเช่นตอนแต่งงานเนี่ยผมเคยไปอ่านคุณดุ๊นานิกาเมื่อหลายปีมาแล้วน่ะเขาเอาเจ้าเบามายืนน่ะแล้วก็เอาถาดมามีหญ้าแพรกมีมีใบมีโกนมีสามสีรายการนะ่ะเราก็งงเราไม่เคยเห็นนะ่ะนะทําอะไรกันไหนไมุสาวนี้อะไรอาจารย์นั่งเฉ ย, ยๆอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกนี่ยคุณหลักผู้ใหญเขาทํากัน ไป ต, ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ได้บาปแล้วก็นึกเฮ้ยนบีไม่ทำมํำเอ็งจะเอาเอาอะไรมาวะเนี่ยสร้าศาสนาเนี่ยเขามอบเป็นศาสนาเลยเอาผู้เจ้าบ่าวมายืนเอาท่าวางที่ทถาดแล้วมียาพุงมียาแพรกมีนุ้นมีนีเนี่ยเขามองเป็นศาสนาเลิกไม่ได้อะฉะนั้นคำว่าศาสนามันต้องผ่านใครต้องผ่านนบีนี่นบีไม่ได้ทนะําน่ะผมขอยามเชิอขดีนบีไม่เคย ให้เจ้าเบาคนไหนมายืนเอาถาดเอาทาวางทีิฐานนี่ผู้เราทำกันเองแต่มองเป็นศาสนพาพอเราไปไปเตือนไปว่าเองเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยกว่าจะเลิกบิณอบาได้เนอะรบัณฑช้เวลากี่ป <clicks> <rip> <English frustration> ีสามสปีกูร <ète> ูน่นะเป็นอะไรนัเป็นสัตวรวัดสัตวรวัต่อมาครับบาลลาจิบูอันจะอาหุมมุนซิรุมมินหุม قال الكافرون هذا ص ح ي كذاب เมื่ออัลลอ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเรียกว่าผู้ตักเตือนมาหายังปามาหาพวกเขาแล้วถึงบ้านเขาแล้วถึงประตูหน้าบ้านแล้วแต่เป็นไงครับคนนี้เขาก็เขาแปลกใจแปลกใจไม่พอยังด่าสองคำอะไรนะ t ฮสป e e c h นี่ไง t ฮสปิด c h แหละ ซาให้รุนอะไรพวกหมอดูมายากรมายากรอีกคํำหนึ่งกันลาบุญโกหกตอแหลเอ็งนำอะไรมาสอนชาวบ้านพี่น้องตายายไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้อะไรมาสอนเข้ามุเลยเข้าพวเราด้วยวันนี้ฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนะต้องอิคลาบต่อละ อ, องเดียวเท่านั้น ยึูนานะบีเป็นแบบเพ้นตัจัดเอาออกของที่เป็นอะไรนะบิดอ่านในศาสนาที่ปูญาตายายนํามาของดีมีไม่มีของไม่ดีก็เยอะแยกไปหมดก็ดจัดออกทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยครับรากฐานชีวิตเนี่ยนะรากฐานชีวิตเนี่ยก็คือเสาเข็มจะปลูกบ้านต้องทำไรนะ นี่เสาเข็มใช่ไหมเสาเข็มยิ่งยิ่งยิ่งอะไรยิ่งลึกๆนะนะลงไปยี่สิบเมตรสาสิบเมตรเนี่ยข้างบนเนี่ยวโว ล, ลงพายุ ม, มาอะไรมามีปัญหาหัวใจของคนก็เหมือนกันจะเป็นมุสลิมนี่ต้องเรียนเรื่องอีมานก่อนคือเสาเข็มครับ เดือตักวาอิมานตักวายะตีนยะซานเอกลา ส, สุน่านาบี ร, รักอลัลลอฮ์รักรอซูนนี่เป็นเสาเข็มทั้งหมดถ้าเสาเข็มเราดีนี่นะเราวางอยู่บนโลกดุนยาไปนี้มีปันมี ม, ม, มีบาระมามีฟิทนามามีความจนมามีความรวยมาเราไม่เสียคนคนที่เสาเข็มไม่ดีคือฟารโาร่คนที่เสาเข็มไม่ดีคือกอรูนใช่ไหมแค่มีเงินเยอะ เสียคนแล้วลงพายุมาเล็กน้ออะไรวะให้เงินให้เงินมาเสียคนด่าอัลลอฮ์ด่าคนแล้วกอรูนใช่หมเงินเยอะเสียคนคิดผิดหมดเลยฟาโรห์ให้อำนาจเป็นคิงฆ่าคนน่ะถ้าเสาเข็มเองเเองเองไม่ดีถ้าเสาเข็มดีอย่างอย่างนาบีมบุฮัมมัดอย่างซอบ้านนาบีใช่ห อัลลอฮ์อิมานตักวาเรียนกันกี่ปีเตรียมควนมาเกล๊าบสาปีนะ่ะนะควนมาเกอ๊เรื่องอิมานอย่างเดียวนะ่ะอิมานอิมานอิมานอิมานเสาเข็มดีไปอยู่ที่นครมัจินามีการสรงครามอัลลอฮ์ช่วยเรื่องชนะตลอดมีแพ้เหมือนกัน่ะคอยมีแพม้มีชนะไปหมดอย่างงี้เป็นต้นต้องนึกตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เสาเข็มชีวิตนั่นอะ่ะหนึ่งอะไรรู้ไหมกลัวอัลลอฮ์ หวางความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วก็ระวังตัวเองจากอัลลอฮ์ยึดศู น, านาย์หน้านี่คือเสาเสาเข็มหมดเลยครับเพราะเสาเข็มดีแล้วเนี่ยไหม إيمان อัลลอฮ์ AH ก็จะเพิ่มพูนขึ้นความยืนหยัดในศาสนาก็เพิ่มขึ้นสบัดอดทนในบาลลต่างๆที่มาหาเราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็หันหน้าเข้าหาอาคคเราอเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่หลงดุนยาเพิ่มขึ้น แต่ไปลงอาคิรเพิ่มขึนดีได้ไหมดีอัลฮัมดุลลาอัจสุดท้ายครับอาจัลลัลอาลิฮะตาอิลาหูวาหิดะอินน่าฮะลาชัยอูนูเจบอาจัลลัลอาลิฮะตาอิลาหูวาหิด อินนาซาลาสัอุนอูจับอัลฮัมดุลิลลาฮฺ <c oughs> คือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนว่าถ้าจะให้เสาเข็มแน่นเนี่ยต้องยึดพระเจ้าที่องค์ <c oughs> องค์เดียวนั่นละเสาแข็งที่สุดเลยอยู่บนโลกดุจยาไปนี่นะแล้วก็หวังอาคิระ ตายแล้วไม่ถูกลงโทษจากอัลล์เนี่ยนะต้องยึดอัลลอฮ์องเดียวทิ้งโต๊ะต ะ, ตะกเกียโต๊ะระยองทิ้งให้หมดหมอดูหมอดูทิ้งให้หมดแล้วกับอัลลอฮ์สาเหตุที่อ AH ัลลอฮ์ลงลงลงอาญา น, นีอับูตอลิบใครลุงนบีนะน้องชายพ่อนะพี่ชาติ น้องชายก็บอบดุตอเลฟเนี่ยปกป้องหลานนะแต่ไม่รับอิสลามอตอนอบดุตอนเลฟป่วยนี่นะพวกอาหรับมุสริกพวกอบูลุลละฮ์และบูย์ฮับก็มาเยี่ยมกันไอการเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนป่วยทุกศาสนาไปช้าหมดเลยนะนะไม่เอาอลัลลอฮ์ก็เยี่ยมอ่าเอาอลัลลอฮ์ก็เยี่ยมนบีก็ไปเยี่ยมพอนบีไปเยี่ยมนี่อบูลุลละฮ์ กลัวว่านาบีจะมานั่งนั่งก่ายลุงมันมีที่อยู่ที่ถึงว่างอยู่แต่มานั่งขวางนะ่ะสาเหตุที่มานั่งขวางเวลานั่งก่ายลุงกวนลุงใจต่ลุงก็เป็นคนที่เก่งใจคนหนะ่งความเก่งใจนี่แหละทําให้ตกนะบอกอันนี้เตือนแล้วนะ เก่งใจคนะดีไม่ดีแต่ว่าบางเรื่องทำให้ตกนรกลุงเนี่ยไม่สบายลุงมบมมมํามอมาตุเนี่ยผู้ใหญ่นั่งนั่งมานั่งหนึ่งมาฟ้องลุงปวดท่านเนี่ยไปด่าพระเจ้าถารูปเจเวทจะไหมไปด่าเจเวทจะไหมที่ก็นั่งฟังเฉยๆถามว่าลหลานหลานต้องการอะไร เรียกฉันต้องการอยู่อย่างเดียวถ้าเชื่อฉันเนี่ยนะพวกอายัมคนที่ไม่ใช่อารับเนี่ยจะจะมายอมรับอารับอ่าพูดอย่างนี้เลยนะนี่นาะยพูดนะคนที่ไม่ใช่อาราบทั่วโลกเนี่ยจะหันมายอมรับอารับ ท, ทันทีถ้าเชื่อฉันแล้วก็คนที่ไม่ใช่อารับก็จะทรงสวย เอาเงินเอาทองมาช่วยพวกท่านเอาบ่าเขาบออะไรกัว่ามาสิเอ็กน่ะพูดดีนะักอ้างว่ามาเลยให้คนไม่ใช่อาราบเนี่ยหันมายอมรับว่าอารับชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเงินมาให้ด้วยจายสวยด้วยอันนี้ก็บอกว่าเลอีเลออิลลอให้กล่าวคำนี้สิ แล้วก็คนทั้งโลกจะหันมายอมรับท่านมูฮัมหมัดเอาอะไรมาสอนปู่ย่าตายายไม่เคยสอนเนี่ยร้ลนร่าให้ฟังอาจาะลลอาลิฮะตาอีลาฮ์ฮุฮิดานี่ยร้อน่าให้นบีฟังนะแสดงว่ารอดพอใจไม่พอใจฟังดูเขา ทำอ้าเบวะหรือเขาทำพระเจ้าหลายองค์อิลาฮานเป็นพระเจ้าวาไฮดันองค์เดียวกันนั่นหรือนบีมุฮัมมัดเนี่มาสอนให้ทิ้นพระเจ้าหลายองค์ร้อยองค์พันองค์อ่ะมันดีอยู่แล้วมันช่วยกันดีอยู่แล้วจมนนะมาน่ะพระเจ้าหลายองค์ดีหรือไม่ดีพระเจ้าฝนอย่างอย่างฮินดูในอะินเดียน่ะพระเจ้าแดดพระเจ้า ให้จนให้รวยพระเจ้านุ่มพระเจ้านี่หลายองค์ช่วยกันนะมื่อมาศร์มาสอนให้เหลือองค์เดียวอ่ะนี่มันบ้าเลยเห็นไหมอัอจจะเลลอาลีฮะติลาฮูวาฮิดะเหมือนจะบอกว่าโต๊ะตะเกียก็ไม่มีนะยึดอัลลอฮ์องค์เดียวอะด็คือรียกคารว่าอัลลอฮ์ไม่โต๊ะตะเกียด้วยช่วยด้วยไม่ดีหรือ มีหมอดูช่วยด้วยดูโน่นดูนี่จะแต่งงานวันไหนนมันช่วยนะไม่ดีรลยน บ, บีว่าเอ็งรับอ oh ัลลอฮ์องเดียวสิ si. ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะยอมรับอัลลอแล้วก็จะจ่ายยิซยาสวยให้ด้วยเอามาดูสิ่งที่น บ, บีพูดนะจริงหรือไม่จริ ง, รงเอาวันนี้คนรับอิสลามในนัสโอลีหมดเลยนะแล้วเป็นไงครับหมอเราเราเอาแค่มออย่างนี้นะอะไรเกิดขึ้นในนะครมกักกะ ทองเท่าไร่น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็คนคุณยาตีไปทำพาร์เนี่ยเอาเงินไปให้ซาอุดีชาระพูดกันตรงๆอย่างนี้นะค่าวีซ่าพาสปอร์ตเท่าไหร่แล้วก็ไปอยู่ทางกี่วันเจ็วันสิบวันพาเงินไปอ่ะไปเลี้ยงคนอาับหมดแล้วะนนบีเล่าให้ฟังอ่ะพม่าหูตาสว่างหลังจากตายไปแล้วถูกลงโทษอยู่ในกูโบขนาดนี้ยังไม่ได้เลิกนะ ยังนาดูยังนาดาวตโกอยู่กันลอจาช่วยหน่อยฉันเห็นแล้วว่ะของทินาบีพูดน่มันจริงทั้งหมดเห็ น, ยหนอย่างพป็นอฉะนั้นการทำพระเจ้าหลายองค์ในีเป็นคนเดียวนั่นพวกอาหรับรับได้ไหมรับไม่ได้แล้วไปยังดาอีกนะอินฮาดาแท้จริงฮาดาี่ ลาชัอินเอาญับชาอูลแปลว่าเป็นเรื่องเอาญาบแปลว่าประหลาดเป็นสิ่งประหลาดนับถือพระเจ้าองค์เดียวในสายตาของอาหรับมุสลิมในนครมะกาเป็นเรื่องประหลาดเรื่องไม่ประหลาดเรื่องที่ประเสรบก็มีพระเจ้าหลายองค์ช่วยกันดูแลออย่างนาบีประมาทนบีมีภรรยาแล้วก็ช่วยกันดูแลนะบีใช่ไหม เอารูปแบบนั้นมันมันมันมาแชากับอัลกิร่าตัวเองได้เปล่าไม่ได้เพราะสิทธิ์อัลลอฮ์นี่มีเท่าไหร่เก้าสิบเก้าพระนามอัลลอฮ์องเดียวรับผิดชอบได้หมดเลยครับให้เป็นให้ตายให้รวยให้จนให้เจ็บไข้ให้ป่วยให้สุขภาพแข็งแอัลลอฮ์อง์เดียวทาให้โลกเจริญวันนี้อัลอิสลามันเท่าไหร่แล้วเกือบสองพันแล้วใช่ไหมเป็นประชากรเซคันนะเป็นที่สองของของโลกใช่ไหมคริสเตียน อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอิสลามจะเบนึงมาทําไมล่ะครับก็นี่ไงยึดอัลลอฮ์องเดียวเนี่ทําให้หัวใจสงบจริงๆครับค่อยๆมาค่อยๆมาทีละน้องทละน้องแล้วน้อยฉะนั้นเวลาคนรับอิสลามเราอยู่ในกทมนี่ให้กล่าวว่าไงสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัสตัลฟิรุลลอห์ย่ายิงให้นอกนอไม่ตอบโต้เผยแพ่สุดนะอย่าหยุดพี่น้องถูกด่าบ้างอะไรบ้างไม่มีปัญหา เผยปะเผยไปสอนไปนต้องอดทนนะมารยาทต้องงามแบบใครแบบท่านอบูบักนบีชมท่านอบูบักว่าไงนะอาร์ฮามอุมอ ม, มดัดีบีอุมมดัดีอบูบักสบายผสารนี่นะนบีชมนะเป็นคนที่อาร์ฮัมหัวใจเมตตาสงสารคนมากที่สุดคือท่านอบูบักอันคุณครอบครัวสามีต้องชมภรรยาด้วย อเออาหารอร่อยจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เขาเกนหน่อยชมภรยาต่างคนต่ชมซึ่งกันและกันนนบีไม่เคยด่าสุฮาะะนั้นเรื่องอย่างนี้พี่น้องครับคืออิสลามทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกุณอ่านเข้าใจอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเชนวันวันหนึ่งว่ากสุฮานลออัลฮัมดุลิลลาห์อัสตฟิรุลลอ م ารบิล ك س ب ح ا ن اللهم وبحمدك أشد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوكل عليك